ขาอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงปโปติญาณในวันนี้จะตอบปัญหาของครูอีกเช่นเคยเธอถามว่าพระรมสาลิกธาตุทำไมมีมากมายหลายวัดในเมืองไทยเป็นของจริงหรือไม่พิสูจน์อย่างไรทั้งๆที่พระพุทธเจ้าเป็นนิพพานมานานแล้วยังมีอยู่อีกหรือคือพระบระหมสาลิกธาตเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแปลกแต่จริง ก็ไม่มีปัญญาลึกซึ้งพอที่จะเข้าใจอธิบายได้นะฮะคือเพิ่มสายริกธาตุที่อันเชิญมาปฏิสถานที่ไปมณฑลท้องสนามหลวงน ะ, ะกันของในหลวงก็เมื่อก่อนมีสามองค์เวลนี้มีเจ็ดหรือแปดองค์ตรวจสอบกันทุกปีเพิ่มขึ้น แต่ไม่เพิ่มทุกปีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาอยู่เจ็ดหรือแปรงตัวเนี้ยเรือนี้นมาก็ไม่ไม่ต้องไปตรวจอ่ะไปเป็นสกีพยานเฉยๆ เ, เพราะว่ามันเกินที่เรายืมมาครั้งแรกแล้วท่านบอกว่าเสด็จไปไหนมาไหนได้มาเต็มภาชนะแล้วก็หายไปได้หมดมันมีการพิสูจน์ทดสอบมีกรรมวิธีในเรื่อง ตรวสอบกันอยู่แต่ว่าไม่เคยศึกษาสนใจอย่างจริงๆจังๆแต่มาเองไม่ค่อยติดใจนะฮะคือถือว่าถ้าเป็นของจริงก็ถือว่าเป็น ท, าท่าเจดีถ้าไม่จริงก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีเราก็ไหว้กราบบูชาสักการะก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสองอย่างก็อย่าไปตั้งประเด็นสงสัยข้องใจงมันเสียเวลาพเราลองึกดูว่าพระธาตุไม่ได้มากมายมหาสาลอะไรไมไ่เล็กๆเนี่ย นี่เล็กๆไม่กี่เม็ดแล้วก็ธาตุของพระอาหารหันต์ก็เป็นสาริยิกธาตุเหมือนกันเพราะนา จ, จะไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดอาจจะเป็นของพระอนานาสาวกเดี๋ยวพระอนานาสาวกนี่ก็มีเป็นพันๆหมื่นๆนะท่านนิพานไปนี่มันก็คงจะเยอะแต่ที่แปลกที่ว่าเสด็จได้นะ สเสด็จไปไหนมาไหนได้แล้วภาชนะที่สเสด็จเข้าไปอยู่นี่ปิดไว้ปิดฝาด้วยนะฮนั่งอธิษฐานภาวนาอธิษฐานนะเสด็จมาเต็มบทนั่นทันหายไปหมดเลยเป็นเรื่องสลับซับซ้อนคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จะเล่าได้มาเป็นคนสนใจน้อยเรื่องหลนี้ไม่ไม่ค่อยสนใจก็ถือว่าท่าจริง ก็เป็นธาตุเจดีย์ถ้าไม่จริงก็เป็นอุเทศิกาเจดีย์มีค่าเหมือนพุทธรูปรง่งหนึ่งเราก็ไม่ติดใจอะไรก็ไหว้กราบด้วยความสนิทใจพุทธบรังสี่มีภิกษุภิกษุณีวาสศกบัจิกาแต่ภิกษุณีหมดไปแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ทำไมาตอนนี้จะมีภิกษุณีเกิดขึ้นอีกหรือครับและมีโอกาสจะเป็นไปได้ไหม คือพิกษุณีไม่ได้หมดไปในสมัยพุทธกาลหรอกปศประมาณห้าร้อยเนี่ยที่ที่อินเดียไปยังอธิลังกาไปยังมีอยู่แต่ที่อินเดียมันหายไปประมาณปศสามร้อยเนี่ยก็หายไปแล้วไม่มีเรื่องราวของพิกษุณีปรากฏอยู่แม้แต่ที่น่าสังเกตก็คือตอนพระพุทธเจ้านิพพานเนี่ยไม่มีพิกษุณีหายไปไหนมีแต่ ภิกษุบาศบาจิกาเท่านั้นเองน่งนา จ, จะมีภิกษุณีอยู่บ้างนะฮะสมัยนั้นแต่ก็ไม่มีภิกษุณีก็แสดงว่าจํานวนที่บวชเนี่ยคงไม่มากเท่าไหร่แล้วก็มาโปล่ที่สังกจนาครั้งที่สองทีหนึ่งคือพระนันทาเทรีแล้วสังกนาครั้งที่สามทีหนึ่งก็คือพระสังกมิตาเทรีแล้วครั้งที่สี่ก็ไปที่ลังกาณนะฮะคือพระ อนุลาเภทเตรีภิกษุณีมันน้อยจนไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นเพราะว่าพระไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับภิกษุณีพระเป็นคนทําสังขยาณาแต่ไม่มีข้อมูลเรื่องภิกษุณีเพรา ะ, ะนั้นก็บันทึกไว้เท่าที่บันทึกไว้บางองค์ท่านก็บันทึกไว้วิวิจิตรพริสดารนะก็แสดงว่าที่ท่านรู้ท่านก็รู้เยอะเหมือนกันะ ภิกษุณีไม่มีโอกาสในทสังฆาานาด้วยเพรา ะ, ะนั้นทำให้เรื่องราวของภิกษุณีก็หายไปการที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยที่จริงไม่ใช่ภิกษุณีนะฮะเขาไปบวชเป็นแบบสามมณีรีไปบวชมาก่อนแล้วก็บวชที่ลังกาลังกาก็เพิ่งบวชมาไม่กี่ปีเนี่ยโดยหลักของพระบิณนมันก็ไม่ถูกแล้วนะะ คือภิกษุณีจะบวชคนอื่นได้เนี่ยต้องอายุพรรษาสิบสองขึ้นไปแล้วบวชปีหนึ่งก็เว้นไว้หนึ่งปีแล้วก็บวชได้หนึ่งคนบวชปีเว้นปีนะฮะบวชปีเว้นปีแล้วปีหนึ่งก็ได้หนึ่งคนนะนั่นเองสองปีตอนหนึ่งคนนะปูด ง, ง่ายงนะั้นเพราะนภิกษุณีจึงมีโอกาสเกิดขึ้นมายากถ้าจะเป็นสายมายานเนี่ยมันก็เกิดได้อยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าสายเทระว่าเนี่ยเกิดยาก ศาสนาพุทธไม่ได้รับการรองรับจากรัฐธรรมนูญเมืองไทยให้เป็นศาสนาประจำชาติเกิดอะไรขึ้นครับก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันเป็นเรื่องของการความเข้าใจแล้วก็พันพยาคติพญาคติที่อยู่ภายในใจของคนที่ทํางานที่เกี่ยวกฎหมายคือกลัวพวกคริสต์พวกอิสลามเขานะฮะประปนี้ทวงสิบเย้งๆเลย แล้วก็เรียกร้องทิ่ที่เสมอภาคทั้งทั้งที่เขาคนจํานวนน้อยนิดเดียวนั่นเองาศาสนาพุทธมันสร้างมาไอ้ประเทศไทยมันสร้างมาโดยคนชาวพุทธนะฮะพัฒนามาจเจริญรุ่งเรืองมาสืบต่อกันมาหลายร้อยปีนะฮะก็โดยฝีมือคนชาวพุทธทั้งนั้นคนอื่นเบิ่งมีส่วนมาไม่ไม่ทาร่ไม่กี่ปีมันเนี้ยมีส่วนก็ไม่ใช่ส่วนหลักอะไรส่วนเสริมเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยแต่นั่นเองแต่ว่า การมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยที่จริงมันเป็นหลักประกันถึงความปกติสุขของศาสนาอื่นเพราะศาสนาพุทธมันไม่ได้มีความคิดแบบที่เคารพกันในอิสราเอลในปาเลสไตน์ในเลบานอนหรือว่าในสงครามคูศเศตหรือในอัฟกานิสถานมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่นาพุทธไม่เป็นศัตรูกับใครหรอกทีนี้ยิ่งคนซึ่งไม่ใช่เป็นเจ้าถิ่นแล้วเนี่ย คนในพุทธศาสนาจะให้ความรักความเมตตาความหวังดนะีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเป็นอย่างดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาด้วยต้นการมองาศาสนาพุทธในแนวที่คล้ายๆจะเป็นว่านาอุปสรรคในการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยจึงเป็นเรื่องของการไม่รู้จักพระพุทธศาสน า, าดีพอถ้าเรารู้จักพระพุทธศาสนาดีพอแล้วเนี่ยเราจะ ไม่มีความคิดในลักษณะกลัวว่าศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาประจําชาติแต่ว่าคนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเราก็มีความคิดที่เป็นอคติโดยบอกว่าเมื่อพระมาหากษัตริย์เป็นพุทธมามะกะแล้วเนี่ยก็แสดงว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติคนละเรื่องกนันนะครับพระมาหากษัตริย์เป็นพุทธมามะกะและเป็นองค์เอกาคราสาธนุประทัง เราเห็นว่าเป็นพุทธมามากะจะถูกกฎหมายบังคับให้อุปถัมภ์ทุกๆาศาสนาเกือนี้มันเป็นนิติประเพณีที่ทรงกระทำ ม, มาตั้งแต่โบราณในการแล้วกฎหมายจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติพระองค์ก็ทงรงทําอยู่แล้วแรามาเองไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่นะว่ากันตามความจริงเพียงแต่ว่าเมื่อก็ขอลงชื่อก็ลงชื่อขอพูดก็พูด แต่ว่าตัวเองไม่ปฏิตัจหรอกเพราะว่ากระแสของโลกาพิวัติมันเกิดขึ้นอิสระเสรีภาพในการนับถือาศาสนาเนี่ยมันค่อ น, อนจะเปิดกว้างแล้วก็ให้คนเขาก็มีทางเลือกคือถ้าเขาเห็นว่ า, าศาสนาอื่นดีก็ไปเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรคนอื่นเขาเห็นว่ า, าศาสนาพุดดีก็บอกให้ไต่ซองให้ดีซะก่อนจะตัดสินใจมาเนี่ย แต่ศาสนาพูดเราก็เชื่อว่าดีเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวเองมาในโฉมหน้าประวัติศาสตร์อันยาวนานว่าเราไม่เคยเป็นปัญหาอะไรกับใครที่ไหนเราไม่เคยจุดชนวนสงครามขึ้นในโลกกราบมามาสการประคุณเจ้ากระผมมีความประสงค์รู้เรื่องราวการออกกฎหมายของกระทรวง11เ็ดข้อที่จะควบคุมสถาบันศาสนาบวบคุมพระ ไอ้ท่าว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วครับก็ยังไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรนะะมันเป็นแต่ข่าวเฉยๆหรือทำอะไรถ้าจะออกมาคุมพระโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะกันนะที่จะทําที่จะทําอะไรลงไปเพราะว่าในความเป็นพระนั่นเองเราก็เป็นราษฎรที่จะต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้ว ถึงจะมีกฎอะไรขึ้นมาหรือไม่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยที่จริงตัวเองรักษาศีลห้ได้ก่อนแ ล, แล้วค่อยมาออกกฎบังคับพระพระก็มีศีลตั้งสองร้อยเจ็ดข้อไม่ต้องมายุ่งอะไรเพราะหรอกเราสามารถจะอยู่กันได้แล้วก็อยู่ได้ดีกว่าเลยทั้งไปเพียงแต่ว่าคนเราไม่รู้จักประมาณตัวเองก็นึกว่าตัวเองเป็นผู้บริหารแล้วก็ต้องสามารถบริหารคนได้ทุกๆคน สามารถสั่งการได้ทุกๆ ก, กรณีอย่างนี้มันก็แปลกไปนะฮะจากบทสังขานุสติที่ว่าจตาริปุริสยุกานิอัถฐบริสุปุกะลามีความหมายว่าอย่างไรแลวเราได้อะไรจากส่วนนี้จตาริปุริสยุกานิแปลว่าคู่แห่งบุรุษีคู่ คือแบ่งเป็นระโสมดาปฏิมร์โซดาปฏิผลเป็นคู่หนึ่งสกัาถะมีมร์สักัตคามีผลเป็นคู่ที่สองอนาคามีมร์อนาคามีผลเป็นคู่ที่สามราตมรราตผลเป็นคู่ที่สี่อัฐปุริสุบุกรลาบุรุษบุคคลแปดก็คือแยกออกไปเนี่ยแยกโดยมร์โดยผลก็กลายเป็น8ด ถาเราจะได้อะไรหรือเราก็ได้ตัวอย่างปฏิบัติว่าคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรนีมีได้จริงๆแต่ถ้าให้สมบูรณ์แล้วมันต้องเป็นพระญาบุคคลระดับนั้นเราปรารถนาการปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็เดินไปตามรอยของพระรญาบุคคลเหล่านี้หรือจะได้อานิสงส์เป็นผู้ควรของคํานับผู้ควรของต้อนรับผู้ควรการทําบุญผู้ควร ปนมมืออัญเชลีแล้วก็ถือว่าเป็นนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยมันเป็นแบบตัวตนของบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้คนได้ศึกษาเรียนรู้หาความเข้าใจแล้วก็หาประโยชน์จากความเป็นพระยะบุคคลของท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างในการบวชภิกษุนีบวงเล็บขอความเห็นส่วนตัวของท่าน ก็ไม่มีความเห็นนะนะว่าที่จริงคือถ้าเขาจะไปบวชมาจากมหายานหรือแม่แต่เถระวานในส่วนใดที่สืบต่อกันมาได้นะก็ไปบวชมาได้บวชมาให้เสร็จอย่ามายุ่งกับพระสงฆ์เมืองไทยพระสงฆ์เมืองไทยมันทําให้ไม่ได้หรอกเพราะในเมืองไทยไม่มีสถาบันภิกษุณีสงูงแล้วพระสงฆ์มันก็เป็นของต่างชาติชาตินั้นชาตินี้ญาติโน้นกันไม่ได้เกี่ยวข้องกัน อ่านีกายนั้นนิกายนี้นีนกายโน่น ก, น, นกันไม่เกี่ยวข้องกันเพราะงั้นเมื่อต้องการเป็นภิกษุณีจีนก็เป็นไปะเป็นภิกษุณีหลังกาก็เป็นไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิทธิตามกฎหมายที่คนเหล่านั้นจะทําได้แต่ว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาบังคับให้พระต้องไปทําตามที่เขาต้องการให้ทําเรื่องมันก็เท่านั้นเองนะฮะไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษออกไปจากจริงที่กล่าวไว้แล้ว จดหมายคำถามประการต่อไปนั้นถามว่าท่านมีโอกาสอบรมคณะบริหารขอให้ช่วยเน้นว่าผู้บริหารควรจะบริหารโรงเรียนและอยู่โรงเรียนให้มากเพื่อการบริหารที่ถูกจุดของโรงเรียนของตนเองผู้บริหารไม่ทาราบไปบริหารที่ใดมากเพราะไม่ค่อยเห็นที่โรงเรียน คืองานบริหารเนี่ยที่จริงเป็นงานประสานงานต้องติดต่อกับองค์กรคณะบุคคล่วยงานต่างๆนะองค์กรต่างๆซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบเนี่ยคือเราจะให้เฝ้าอยู่ ย, ย, ยงที่บ้านเนี่ยคงไม่ได้ครับคือต้องคิดนะฮะว่าเราจะต้องประสานงานกับคนอื่นในฐานะที่เราเป็นผู้น้อยเนี่ยเราก็ต้องอดน้องเขาไปหาเขาเราก็ต้องไปหาเขาถึงที่อยู่ แต่ว่าผลจากการบริหารนั้นเหมือนกันบนกนะฮะบินไปหาอาหารจากข้างนอกแล้วก็นํามาเลี้ยงลูกที่อยู่ที่ในรังจะให้ผู้บริหารตั้งหลักอยู่ที่ส่วนกลางจริงๆหรือว่าโรงเรียนจริงๆไม่ยอมออกไปข้างนอกเนะี่ยผลท้ายสร้างโลกส่วนตัวผู้บริหารเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะนะหมือว่าใครก็ตามคือไม่อยู่ติดที่หรอกจะต้องไปเ ข, ข้าเชื่องโยงประชุมประเชมสมัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไปการสั่งสารกันซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมันมีความจำเป็นสำหรับผู้บริหารทางนั้นก็บอกว่าโครงการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นโครงการที่ดีโครงการนี้ควรเน้นที่ผู้บริหารพระผู้บริหารไปผู้บังคับบัญชาแต่เจ็ดสิบถึงเก้าสิบผู้บริหารไม่ใช่ธรรมะบริหารท่านมีวิธีการอย่างไร จะเสนอแนะบ้างอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ภาคสนามแต่มาเองมีความเชื่อว่ามันไม่ถึงขนาดเจ็ดสิบเก้าสิบปอร์เซ็อย่างนั้นเราทั้งนั้นมาอยู่ได้ยังไงเราองค์กรบริหารชาติบัรเมืองังควรพี่หยุดยับหมดแล้วแหละมันก็มีส่วนหนึ่งที่เราใช้ความรู้สึกส่วนตัวไปหรือเปล่า เราใช้อารมณ์ไปไหมเราใช้ความถูกใจมากกว่ามากกว่าความถูกต้องไหมแต่ว่าเรามองกันโดยเหตุผลแล้วก็ที่จริงมันก็มีการบริหารที่ดีเพียงแต่ว่าพอดีเราไปเจอผู้บริหารที่ไม่ดีเข้าในบางกรณีในบางเรื่องกันนั่นเองในขณะนี้ครูส่วนหนึ่งเน้นเอกสารแต่ไม่ได้ทําการสอนอทิ้งเด็กแล้วสร้างเอกสารอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ยืนอยู่ร้านถ่ายเอกสารทุกวันใช้การไปรูปการศึกษาใช้การไปรูปการศึกษาหรือไม่ใช้การไปรูป ก, การศึกษาหรือไม่เลยเพราะเป็นระบบของความเห็นแก่ตัวของการของบงการครูท้ามีความขีดเด้เตนอย่างไรกับระบบเพราเด็กตกเป็นเดือยของครูบ้าเอกสารเพราะแข่งการเข้าแท่งเงินเดือนของสพส อันนี้เป็นเป็นเป็นกฎเกณฑ์เราต้องนึกถึงกฎเกณฑ์เขานะฮะว่าเขามีระเบียบปฏิบัติอย่างไรเราไม่เห็นระเบียบปฏิบัติเราก็ไปออกความเห็นไม่ได้เพราะว่าครูเหล่านั้นเขาอาจจะได้รับการลาหรือว่าได้รับการมอบหมายให้ทําเอกสารอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้เมื่อถ้าเขาต้องรับผิดชอบต่อเอกสารที่จะต้องจัดจะต้องทําก็ต้องปล่อยเขาไปนะฮะเป็นภาระหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบโดยตัวเขาเอง อปัจจุบันวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเช่นการสอนด้วยโครงการครูทำขึ้นเองหรือให้เด็กทำเพียงสองสามคนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดการวิจัยชั้นเรียนนยครูก็ทำขึ้นเองหรือเรียนแบบในชั้นทั้งหมดใครบาป แกขาดธรรมะเด็กก็ถูกหลอกครูก็หลอกผู้บริหารผู้บริหารก็ชอบแสดงว่าระบบนี้ชอบโกนการโกหกแล้วธรรมะจะอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นเป็นกระแสความคิดที่มันเริ่มเข้ามาต่อสู้กันอยู่น ะ, ะว่าคือพวกเหล่านี้เ็าเข้าใจว่าสิ่งที่เขานำเสนอนันเป็นความถูกต้องก็เสนอมาในแนวที่ค่อนข้างจะทดลองนิดหน่อยนะฮะแต่ว่า ไปยืนยันค่อนข้างแรงเกินไปคือไม่เล่นซึงองค์ประกอบของความเป็นสังคมไทยนะฮะมีภูมิหลังที่แตกต่างกันเราอาจจะไปได้จากสหรัฐอเมริกาอาจจะไปได้จากญี่ปุ่นแต่เราอย่าลืมภูมิหลังมันไม่เหมือนกันขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมการเมืองความมั่นคงอะไ ร, ะไ ร, ต, รต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะก็ปี้ก็ปี้กันไปก็ปี้กันมามันไม่ได้ มันเป็นเรื่องพลังเนื้อชอบพลังยาเพราะงั้นวิธีการที่สอนเนี่ ย, ยเราจะเห็นว่าวิธีการอย่างนั้นเด็กมันก็มีความจนานาญอยู่ไม่กี่คนแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเด็กเรียนวิชาพื้นฐานไม่ใช่เรียนวิชาภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันต้องไปมันผ่านอย่างน้อยก็มอสามไปก่อนจึงจะเข้าไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วเขาก็มีอยู่แล้วนะในสายพลังชีวะทั้งหลายนี่ก็มีอยู่แล้ว ในภาคสายทางมหกมเจ็ดมสี่มห้ามหกมันก็มีงานภาคสนามอยู่แล้วแต่ว่าเด็กเล็กๆเนี่ยมันจะทําได้อย่างไงอ่ะนี่คือปัญหาที่น่าคิดว่าเอาเด็กเล็กๆไปทําแล้วเรื่องมันใหญ่แล้วเวลามันเอามาจากไหนเวลามันมีไม่พอเนอะเวลามันถูกบังคับไปนั่งใ น, นตารางสอนเนื้อหาวิชาเยอะเลยต่อไปทจะยิ่งหนักกว่านั้นนะเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นคน เขียนตำหนับตำนาเองนะฮะสร้างตำหนักตำนาขึ้นมาเองแล้วคงจะน่าดูนะฮะต่างคนต่างเขียนไม่มีใครไม่มีมาตรฐานเจอบสอบทานกันเนี่ยคงจะวุ่นวายกันแล้วก็พูดเรื่องพระพุทธเจ้าของต่างคนต่างพูดแล้วก็ไม่รู้ออกออกออกก้อยอยังไงก็ได้ ดิฉันก็เพื่อนครูที่ได้ลาได้อาจารย์สาแสดงถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่กว่าจะได้อาจารย์สามมาต้องลงทุนตั้งแรงกายและแรงทรัพย์ไม่ต่ำกว่าสองสามสองถึงห้าหมื่นบ่าหลักฐานต่างๆมีประโยชน์อย่างไรประสบผลกับนักเรียนแค่ไหนบางทีบางโรงเรียนมีอาจารย์สามแต่นักเรียนติดทั้งยาเกเรนักเรียนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเลยเจ้านายก็สนับสนุนเอาเอกสารหลักฐานที่ทําอาจารย์สาม ทางศึกษานีเทศระดับอาเภอระดับจังหวัดไม่เห็นมีใครพูดถึงว่าแล้วเด็กเป็นอย่างไรให้พระคุณเจ้ารับไปพิจารณาขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้พระคุณเจ้ารับไปพิจารณาปรเดียตมาไม่ใช่ผู้บริหารจะด้วยนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะน่าสังเกตว่าการจัดการศึกษาที่บางทีก็พูดเราเรียนเป็นสูงกลางอย่างเวลาเนี้ยพยายามพูดเราเรียอเป็นตุนกลาง ด้ปัญหาที่ท่านนายกเคยถามแล้วก็ยังคำตอบไม่กระจา่างเนี่ยถามว่าเด็กจะได้อะไรก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้มันน่าจะเป็นโครงการนำร่องแบบผู้ว่าอะไรที่เขาคิดขึ้นใหม่สีห้าจังหวัดนะ่ะเป็นนำร่องไปก่อนแล้วปรับปรุงแก้ไขให้ลงตัวแล้วค่อยๆโตนะค่อยๆโ ต, นะตไปตามลำดับอย่าไปรีบเร่งโตกินเร็วเกินไป มันอะไรก็ตามเนี่ยมันถ้าโตเร็วเลยมันไม่ค่อยมีสาระแก่นสารเหมือนลูกโป่งนะฮะเราก็อาจอะไรเข้าไปก็ใหญ่โตวพวลืดพลาขกันมาแต่เอาก็จริงมันไม่มีแก่นข้างในมันลอยลงไปได้ระดับหนึ่งแล้วก็ผุทท้ายก็ตกลงมาเรามุ่งความเปลี่ยนแปลงให้แก่นักเรียน แต่ว่าเมื่ออาจารย์สามเกิดขึ้นเยอะในขณะเดียวกันนักเรียนก็ติดยาเกเรแก็กเเรเกเรยกพวกกันไปมั่วสุมกันในที่ต่างๆมาอยู่ในระเบียบพินัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ผลที่พึงประสงค์ในการจัด ก, การศึกษาเพราะว่านักเรียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมราการศึกษาถ้าเรามองง่ายๆมันเปลี่ยนแปลงทางความรู้และวก็ความประพฤติเนี่ย ที่เราพูดว่าความรู้คู่คุณนะทมพูดว่าเก่งดีมีความสุขพูดอย่างอย่างอื่นก็ได้นะจะพูดว่ายังไงก็ได้แต่สรุปมาออกมาอย่างนั้นว่าเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมพฤติกรรมบวกมากขึ้นสร้างสารรค์มากขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่เปลี่ยนแปลงในด้านความรู้เห็ดมีผลมีสติปัญญาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากว่าไปนเน้นที่ครูบาอาจารย์ได้อาจารย์สามได้อาจารย์สามเขโก้กันกับการจัดการกันก กับการมีกับการเป็นอาจารย์สามแล้วแต่ก็จริงแล้วเนี่ยปรากฏว่านักเรียนไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราต้องการจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายการจัดการสางประเทศถูกทางหรือไม่ก็ต้องถือว่าถูกทางหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเกินเะจ็ดสิบ้าอร์เซ็นตแะแต่ว่าบางทีที่ว่าคิดใหม่ๆนะวัตกรรมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันจะต้องอย่าผีผามากเกินไปอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปแมไม่ควรเอาชาติปันเมืองมาเสี่ยงกับความเชื่อมั่นของคนเพียงไม่กี่คนอย่าพวกสบสอเนี่ยทําตัวอย่างเทวดารู้ไปเสียหมดทุกเรื่องเลยซึ่งจริงๆตัวเองภาคสนามก็ไม่เคยสัมผัสเหมือนกันเราไม่ได้เคยเข้าภาคสนามแต่ว่าอาศัยทฤษฎีต่างๆที่ปรังเขาว่าแล้วก็เชื่อปรังเป็นเทวดาไป แต่ถ้าใช้โครงการนำร่องสัก5จังหวัดหนึ่งแล้วไปค่อยโตไปกำหนดระยะโครงการไปรูปไปสักจำนวนหนึ่งระยะหนึ่งปี10ปีเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์หนักแน่นมันคงมากกว่าทั้งฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้อ ง, งามไปบูรณนธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี